อยากนิพพานอย่างไรเป็นชันทะอย่างไรเป็นตันหาเมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างตันหากับชันทะในเรื่องราวหรือในกิจทั่วๆไปแล้วก็จะเข้าใจด้วยว่าความยินดีพอใจความต้องการหรืออยากนิพพานในกรณีใดเป็นตันหาในกรณีใดเป็นชันทะ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 เขามองเห็นคุณค่าของความปราศจากกิเลสความมีจิตปลอดโปร่งสงบผ่องใสนั้นว่าเป็นภาวะดีงามจิตใจของเขาก็ยินดีโน้มน้อ ม, อมโอนไปหาภาวะนั้นอาการอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าชันทะภาวะจิตที่มีชันทะอย่างนี้ในบาลีท่านใช้ว่าอภิรมะหรืออภิรัตแปลว่ายินดีเช่นคำว่า ยินดีในนิพพานบ้างหรือศัพท์ว่าอภิปัฏนาแปลว่าปราถนาเช่นคำว่าปราถนานิพพานบทบ้างปราถนาโยค ะ, กะเกษมบ้างจัดเป็นภาวะจิตที่เป็นกุศลและเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรุนิพพานแต่ถ้าคิดอยากได้นิพพานอยากบรรลุนิพพานหรืออยากเป็นผู้บรรลุนิพพานโดยนึกขึ้นมาทานองว่า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 ส่วนตันหาเป็นความปรารถนาในสิ่งที่เป็นเสมือนว่าตั้งอยู่ห่างออกไปในที่ของมันเองแห่งหนึ่งต่างหากจากตัวผู้ปรารถนาขาดตอนจากกันตันหามีความเข้าใจเพียงมัวมัวมองเห็นสิ่งนั้นไม่ชัดเจนเพียงแต่หวังที่จะได้รับผลที่ต้องการจากสิ่งนั้นและก็หาทางที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาหรือเข้าครอบครองเสพเสวยสิ่งนั้นหมายเหตุเชิงอัด ตากถาและดีกาบางแห่งแสดงมติว่าตัณหาเป็นความปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงสเสมือนการที่โจรเหยียดมือออกไปในที่มืด